จเจริญธรรมท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2545เหลืออีกเวลาประมาณสักเดือนเส็ษๆก็จะเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตามธรรมเนียมประเพณีไทยของชาวพุทธเรานั้น mm hmm. เมื่อ ถึงเวลาเข้าพรรษาก็จะมีการปฏิบัติธรรมกันเป็นกรณีพิเศษผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ชายก็จะหาเวลาว่าลางานเพื่อที่จะได้ออกบวชเป็นพระภิกษุอยู่ตลอดพรรษาคือตลอดเวลา3เดือน นี่เป็นประเพณีของชาวพุทธไทยเรา <c oughs> ที่ได้มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลโดยมีความเชื่อว่าการได้บวชเป็นพระภิกษุได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมในตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนนั้นถือว่าได้เป็นถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณบีดามานดา ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งต่อบุดเพราะว่าการบวชนั้นเมื่อมาบวชแล้วก็จะได้ศึกษาปฏิบัติตามแนวแห่งตรยศกษยาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเหตุหรือเป็นมรรคคาปฏิปทาที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่มรรคผลนิพพานอันเป็น ผลที่ประเสริฐอย่างยิ่งที่มนุษย์จะสามารถปฏิบัติถึงได้และเมื่อได้ปฏิบัติทำจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะมีปัญญามีความรู้ที่จะนํามาสั่งสอนอบรมบุคคลต่างๆรวมทั้งบิดามารดาผู้มีพระคุณอย่างยิ่งด้วยถ้าบิดามารดามีจิตศรัทธามีปัญญา พอที่จะรับทราบธรรมที่กุลบุตรที่ได้บรรลุธรรมนั้นนำมาสั่งสอนแลน้วนำไปปฏิพุริปฏิบัติจนได้บรรลุมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือได้เป็นบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันก็จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไป คือพระโสดาบันนั้นท่านจะมีพบชาติเหลือไม่เกินเจดชาติและแต่ละพบแต่ละชาตินั้นก็จะไม่ <c oughs> ต้องไปเกิดในอบายคือไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรก <c oughs> และจะปฏิบัติธรรมเรื่อยๆไปจนกระทั่งในที่สุดก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นจุด สูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นจุดที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นจุดที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นจุดที่มีแต่บรมีสุขความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือกนอยู่เลยดังนั้นถ้าผู้ที่เป็นบุตรได้บวชและได้ศึกษาและได้ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงออก ทรงออกพนวดและศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์าสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาในพระราชาวังสั่งสอนให้พระองค์ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเลยถือว่าการที่บุตรได้สามารถสั่งสอนอบรม บิดามารดาให้มีดวงตาเห็นธรรมคือให้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ตั้งมั่นอยู่ในวิถีปฏิบัติที่ดีที่งามคือทำบุญให้ทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลห้าโดยไม่ขาดและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิและวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าได้ชดใช้บุญคุณอันใหญ่หลวงของ ของบิดาและมารดาเพราะโดยปกติแล้วบุญคุณของบิดามารดานั้นเป็นบุญคุณที่มากล้นกว่าที่บุตรและธิดาจะสามารถตอบแทนได้พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ว่าต่อให้บุตรและธิดานั้นเลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดีปุ้มท่านแบกท่านไว้บนบา่างสองข้างให้ท่านถ่ายขับถ่ายลดร่างกายของตน ก็ยังไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาได้ยกเว้นเสียแต่ว่าสามารถทําให้บิดามารดานั้นบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้เท่านั้นจึงจะถือว่าบุญคุณได้ทดแทนได้หมดสิ้นแล้วเพราะถ้าสามารถส่งให้บิดามารดาเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานได้คือไม่มีความ ที่จะต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปมีแต่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมและเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นนี่คือฐานะของพระอริยบุคคลเบื้องต้นที่เราเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ท่านมีความมั่นคงอยู่ในพระพุทธศาสนาคือท่านไม่สงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ท่านไม่สงสัยในเรื่องหลักกรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่ากรรมนั้นมีจริงกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วทำบุญได้ไปสวรรค์ทำบาปย่อมไปตกนรกนี่เป็นสิ่งที่พระโสดาบันเห็นได้ด้วยปัญญาของท่านเมื่อเห็นแล้วก็จะไม่กล้ากระทำบาปจะรักษาสินห้าอย่างมั่นจะรักษาสินห้ายิ่งกว่าชีวิตของตนเสีย อ, อีกระวางชีวิตกับ ศีลแล้วท่านจะเลือกศีลดังในที่ในธรรมบทที่ได้แสดงไว้ว่าให้ลักให้สละเงินทองเพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนั่นแหละคือคือเรื่องที่พระสุวราบาลสามารถปฏิบัติได้ ท่านจะรักษาทำยิ่งกว่าชีวิตของท่าน <c oughs> ดังนั้นเรื่องการที่ท่านจะไปผิดศีลผิดธรรมไปลักเล็กขโมยน้อยไปโกหกหลอกลวงไปประพฤติผิดประเวณีไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเสพสุรายาเมวนีจะไม่อยู่ในฐานะของพระโสดาบันจะทําได้ในเมื่อท่านมีศีลอันบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วเมื่อท่านตายไปท่านย่อมไปสู่สุคติโดยถ่ายเดียวไม่มี กรรมอันใดที่เคยทําไว้แล้วในอดีตจะไม่มีอํานาจพอที่จะส่งให้ท่านไปเกิดในอบายต่อไป <c oughs> ดังนั้นถ้าผู้ใดสามารถทําให้บิดามารดานั้นมีความเลื่อมใสมีความเชื่อมัน่นตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ําเสมอแล้วบุคคลนั้นถือว่า ได้ทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาบริบูรณแล้วนี่แหละคือทำไมจึงเป็นธรรมเนียมของชาวไทยพุทธเราที่เมื่อมีอายุพร้อมบวควรจะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาเพราะว่าเมื่อได้บวชแล้วก็ได้รู้จกักธรรมรู้จักเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษรู้จักเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เพราะจะรู้เพราะว่าการบวชนั้นมีการปฏิบัติและเป็นกา ร, ารปฏิบัตินี้เท่านั้นที่จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเปรียบเหมือนกับเป็นการศึกษาคือเหมือนกับมีคนบอกทางเราว่าถ้าเราต้องการที่จะเดินทางไปจากจุดนี้ไปสู่จุดนั้น เราจะเดินทางไปอย่างไรคนที่เขาเคยไปมาแล้วเขาก็จะบอกเราเช่นบอกว่าให้เดินตรงไปพอถึงสี่แยกก็ให้เลี้ยวขวาแล้วให้ตรงไปอีกพอถึงสี่แยกก็ให้เลี้ยวซ้ายอีกที <c oughs> ก็จะถึงจุดหมายปลายทางนั้น <c oughs> แต่การบอกการรับฟังเฉยๆถ้าเราไม่เดินไปเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาบอกถ้าเขาบอกว่าไปอย่างนั้นไปอย่างนั้น แล้วเราก็ไม่ได้ไปเราก็นั่งอยู่เฉยๆจนวันตายเราก็จะไปไม่ถึงที่ที่เราต้องการจะไปแต่ถ้าเขาบอกเราแล้วแล้วเราก็เดินตามไปตามทางที่เขาบอกเราในที่สุดเราก็จะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นอย่างแน่นอนถ้าเราเดินตามไปตามที่เขาบอกไม่มีการ <c oughs> แวะหรือไปในทิศทางอื่นในที่สุดเราก็จะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางนั้น ยกเว้นเสียแต่ว่าคนที่เขาบอกนั้นบอกผิดทางถ้าเขาบอกผิดเราก็จะไปไม่ถึงอย่างคนที่ศึกษาธรรมะอย่างเดียวและไม่ปฏิบัติแล้วมาสั่งสอนผู้อื่นอย่างนี้อาจจะสอนให้คนไปผิดทางได้เพราะคนที่ศึกษาอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัตินั้นย่อมไม่รู้จริงเห็นจริงย่อมไม่สามารถที่จะบอกความจริงให้กับผู้ที่เขาต้องการที่จะไป ในจุดที่เขาต้องการจะไปได้ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วแล้วไปปฏิบัติปฏิบัติจนกระทั่งบรร ล, ลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนอย่างอย่างอย่างถูกต้องว่าหนทางทิศทางที่จะไปนั้นไปอย่างไรดังนั้นการศึกษาเราเรียนอย่างเดียว อย่างที่เป็นคารวาสอยู่นี้จึงไม่เพียงพอกับการที่จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมขึ้นมามีปัญญาเห็นดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายเห็นได้จำต้องมีการปฏิบัติต่อจำต้องปฏิบัติตามแนวทางแห่งใจศึกขาคือสีนสมาธิและปัญญาสีนก็ต้องรักษาอย่างเข้มงวดกดขนันไม่ว่าจะเป็นศีนห้าก็ดีศีนแปดก็ดี สินส0บ็ดีหรือสินสองข้อยี่สเจ็ดข้อดีต้องรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันสมาธิก็ต้องปฏิบัติต้องเจริญต้องหาที่สถานที่สงบสงัดปลีกวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสพะทั้งหลายที่เป็นเครื่องยั่วยวนกวนใจทำให้เกิดความโรคความอยากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว มีสติควบคุมจิตใจให้จิตใจนั้นอยู่กับปัจจุบันไม่ให้ลอยไปลอยมาในอดีตหรือในอนาคตไม่ให้คิดถึงเรื่องใกล้หรือเรื่องไกลทั้งหลายให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่กับการกระทาต่างๆถ้ากำลังเดินบินทบาดก็ให้รู้ว่ากำลังเดินบินทบาดอยู่ถ้ากำลังนั่งขบฉันก็ให้รู้ว่ากาลังนั่งขบฉันอยู่ถ้ากาลังปัดกวาดเก็บทาความสะอาด ก็ให้รู้ว่ากําลังปัดกวาดเก็บทำความสะอาดอยู่ถ้าเวลานั่งอยู่เฉยๆนั่งขัดสมาดหลับตาก็ให้กําหนดดูรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ให้จิตรู้อยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกแต่ไม่ต้องไปบังคบบังคับลมหายใจลมหายใจจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้ลมหายใจเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาถ้าหายใจยาว ก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นถ้าลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบถ้าลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดถ้าลมหายไปจากความรู้สึกก็ให้รู้ว่าลมหายไปจากความรู้สึกแต่ไม่ต้องเกิดความวิตกกเกิดความกลัวขึ้นมาโดยมากผู้ที่ปฏิบัติใช้อนาปนานสติคือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์แห่งการ ควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบนั้นเวลาไปถึงขั้นที่ลมหายใจหายไป mm. ก็จะเกิดความวิตก mm. เกิดความกลัวขึ้นมา mm. เริ่มคิดว่าเอ๊ะลมหายใจหายไปแล้วเราจะไม่ตายหรือคนเราต้องหายใจถึงจะอยู่ได้ไม่ใช่หรือถ้าลมหายใจหายไปแล้วเราจะไม่ตายก็เลยรีบถอนจิตออกมาเข้าหาลมหายใจส่วนอยากซึ่งยังมีอยู่ mm. เพียงแต่ว่าในขณะนั้น จิตได้รวมเข้าไปสู่ความสงบเลยไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องลมหายใจแต่เมื่อเกิดมีความวิตกกังวลขึ้นมาความวิตกกังวล น, นี้ก็เลยดึงจิตให้ถอนออกมาสู่ระดับที่หยาบเพื่อที่จะได้รับรู้ลมต่อไปถ้าปฏิบัติแางนี้แล้วตบปฏิบัติไปกี่ครั้งก็จะไม่เข้าสู่ความสงบไม่เข้าสู่ ความไม่ไม่เข้าสู่สมาธิคือการรวมตัวของจิตเป็นหนุนเป็นหนึ่ ง, นนงที่เรียกว่าเอกตาลงเหลืออยู่ศักแต่ว่ารู้ไม่รู้อยู่ตามลำพังของตอนเองโดยไม่ได้รู้กับเรื่องอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นความคิดปุงแต่งก็ดีหรือรูปเสียงกลิ่นรสผดสพะก็ดีในขณะนั้นเมื่อจิตรวมลงไปเป็นสมาธิแล้วจะไม่รอบรู้เรื่องราวเหล่านี้แต่จะไม่รวมลงไปถ้าเมื่อจิตเข้าสู่ จุดที่ละเอียดแล้วกำลังจะรวมลงสู่ความสงบสู่ความเป็นหนึ่งเกิดมีความวิตกกขึ้นมาว่าลมหายไปไหนแล้วคิดว่าต้องคว้าหาลมให้ได้ถึงจะถึงจะอยู่ได้กลัวตายนั่นเองกลัวว่าจะตายถ้าคิดอย่างนั้นแล้วจิตก็จะถอนจากความละเอียดกลับมาสู่ความหยาบเพื่อที่จะรับรู้ลมที่ยังมีอยู่ แต่เพียงแต่ว่าเมื่อจิตละเอียดมากๆแล้วความเลื้อลับรู้ลมนั้นจะหายไปดังนั้นจึงขอให้ทำความเข้าใจถ้าเราใช้อนาปนานสติคือการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์แห่งสมถะเป็นอารมณ์แห่งความสงบว่าเราไม่ต้องกังวลตราบใดถ้ามีผู้รู้อยู่ตราบนั้นจะไม่ตายถ้ามีผู้รู้อยู่แล้วผู้รู้นี้จะไม่ไม่ตายอย่างแน่นอน เพราะว่าขณะนั้นผู้รู้กําลังจะปล่อยวางกายนั่นเองปล่อยคือกายกับใจใจะแยกกันในขณะที่ใจรวมลงสู่ความสงบเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเลิอแต่ว่ารู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้ทําความเข้าใจว่าการทานาปานสติไปจนกระทั่งถึงเวลาที่ไม่มีลมหายใจคือไม่รับรู้ไม่รู้ไม่รู้ถึงลมหายใจแล้วไม่ต้องกลัวว่าตาย ไม่ตายเพราะนี่เป็นลักษณะของการรวมลงของจิตจิตเมื่อละเอียดแล้วจิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนหยาบส่วนหยาบที่พูดถึงนี่ก็คือลูกเสียงลินรอดผดทะพะคือการมคุณทั้งห้ารวมไปถึงลมหายใจซึ่งเราเรียกเป็นส่วนหนึ่งของผดทะพะเป็นสัมผัสที่สัมผัสได้ด้วยร่างกายอันนี้มันจะหายไปจากใจเราไม่ต้องกังวล เรามีแต่สติกำหนดให้รู้อยู่กับตัวรู้นั่นแหละถ้าลมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจลมจะเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวก็ให้รู้อยู่กับผู้รู้นั้นแล้วผู้รู้นั้นก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบแล้จะนิ่งจะตั้งอยู่นานไม่นานก็สุดแท้แต่การปฏิบัติของของบุคคลนั้นแล้วเมื่อตั้งอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาสู่จิตปกติการตั้งอยู่นั้นก็เป็นอยู่สองลักษณะ ถ้าตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งไม่นานเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสงบอยู่ตั้งอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาส่วนถ้าตั้งอยู่ได้นานเป็นเป็นชั่วโมงอย่างนี้จะเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธินี้ก็มีอยู่สองมีอยู่สองลักษณะคือคณิกะกับอัปปนาเมื่อจิตถอนออกมาแล้วก็จะกลับมาสู่จิตปกติ แต่ในการปฏิบัติสมาธินั้นยังมีสมาธิอีกอย่างหนึ่งนอกจากอัปปนากับคณิกะแล้วเราเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่เกิดจากจิตที่รวมลงแล้วแต่ไม่ตั้งอยู่ในในคณิกะหรืออยู่ในอัปปนาเมื่อสงบตัวรวมตัวรวมตัวลงอยู่สักแป๊บหนึ่งก็จะถอนออกมานิดหน่อย แต่ไม่ถอนออกมาเต็มที่คือไม่ถอนออกมาสู่จิตปกติอย่างที่ขณะนี้ที่จิตของเราเป็นอยู่เป็นจิตปกติจิตที่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่ตะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราถือว่าจิตแบบนี้เป็นจิตปกติแต่จิตชนิดนี้ที่รวมลงไปแล้วแล้วถอนออกมาแล้วกลับไปรับรู้เรื่องราวที่ละเอียดต่างๆที่เราเรียกว่ารูปทิพเสียงทิพ หรือรู้เรื่องราวต่างๆของตนเองก็ดีหรือของผู้อื่นก็ดีอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิเป็นสมาธิ ท, ท, ที่ที่จะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ที่จิตปกติจะไม่รับรู้ได้เช่นอาจจะเช่นสามารถระลึกชาติได้ระลึกว่าในอดีตตรชาตินั้นเคยทำอะไรมาเคยเป็นอะไรมาชาติก่อนนั้นเป็นอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นหรือเห็นกายที่ หรือได้ยินเสียงทิพย์หรือเห็นสิ่งต่างๆที่ในปกติจิตธรรมดาจะไม่สามารถเห็นได้นี่ก็คือลักษณะของอุปจารสมาธิแต่การปฏิบัติจิตเพื่อเจริญวิปัสสนาเพื่อทเพื่อขัดเกลากิเลส ข, ขัดเกลตันหาความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจเพื่อที่จะได้บรรลุถึงมรรคผลนผิพพานนั้น การที่มีอุปจารสมาธินี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อุปจารสมาธินี้จะไม่ช่วยส่งเสริมในการปฏิบัติวิปัสสนาแต่คณิกะสมาธิกับอัปปนาสมาธินี้จะเป็นสมาธิที่จะช่วยส่งเสริมเพราะผู้ที่ได้สงบอยู่ในคณิกะหรืออัปปนาสมาธิเป็นเวลานา น, านๆเวลาจิตถอนออกมา จิตจะมีความสดชื่นมีความอิ่มมีความสบายมีความเบาในขณะนั้นกิเลส ต, ต่างๆความอยากต่างๆจะถูกตัดทอนกำลังลงไปไม่ให้มีกำลังมากที่จะมาคอยผักไสให้จิตไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกจะเป็นจิตที่จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันและเป็นจิตที่พร้อมที่จะศึกษา เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ควรจะรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่จิตไปหลงไปยึดไปติดอยู่ว่าเป็นเป็นอย่างไรว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้ามีถ้ามีสมาธิแบบนี้แล้วก็จะสามารถเจริญวิปัสสนาได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทําให้เข้าอกเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆ หรือบุคคลต่างๆที่จิตเราไปเกี่ยวข้องอยู่ไปรักไปชอบไปยินดีไปยินร้ายกับเขาทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายไม่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชังเลยแต่เพราะความหลงโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้จึงทำให้จิตนี้มัวไปหลงติดพันอยู่กับสิ่งต่างๆเห็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ชอบชอกชอบใจ ก็อยากจะให้อยากจะมีอยากจะเป็นเจ้าของครอบครองสิ่งนั้นและอยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับตนไปอยู่นานๆเห็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนาไม่ยินดีก็อยากจะให้สิ่งนั้นหายไปพ้นไปจากหูจากตาเร็วไวแต่สิ่งเหล่านี้นั้นเขามีอยู่เขาเป็นอยู่เป็นไปตามเหตุตามตับใจของเขาคือเขามีเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีอยู่เพื่อความต้องการของเรา หรือไปหลือหมดไปเพราะความไม่ต้องการของเราเขามีเขาเขามีเขามาเขาไปตามเรื่องของเขาเราต้องเข้าใจหลักนี้ถ้าเรามีสติที่มีจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นเรามีปัญญาคอยอบรมข้ามสอนจิตว่าให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าสภาวะธรรมนั้นล้วนเป็นของที่ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมไปบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ เขามีปกติของเขาเป็ น, เ, ปนเขามีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นปกติของเขาเขามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดเขาก็จะต้องดับไปจิตผู้ที่มีปัญญาคือเข้าใจถึงหลักของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วย่อมไม่กล้าที่จะไปมีความผูกพันใบยึดมั่นถือมั่นไปผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเขาเช่นเมื่อเกิดมาแล้วก็ยังต้องมีพ่อแม่มีพี่น้องมีเพื่อนฝูงแต่บุคคลที่มีปัญญานั้นจะไม่หลงติดอยู่กับบุคลลบคลเหล่านี้เพราะรู้ว่าบุคคลเหล่านี้นล้วนเป็นของเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเขาเกิดมาแล้วเขาต้องเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บและในที่สุดเขาก็ต้องตายจากกันไปอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิและไม่มีปัญญาอบรมสั่งสอนจะไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เพราะจะไม่เคยคิดจะไม่เคยพิจารณาก็เลยถูกอาํานาจของโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ครอบงําไปคิดว่าสิ่งที่เราชอบนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดคิดว่าคนต่างๆที่เราที่เรา ท, ที่เราอยู่ร่วมกับเขานั้นเขาจะอยู่กับเราไปตลอด พอเกิดเหตุการณ์ที่เขาจะต้องจากเราไปอย่างกะทันหันเช่นประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายขึ้นมาเราก็จะเกิดความวุ่นวายใจเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะใจหรือจิตของเรานั้นไม่ได้ถูกขัดเกลารไม่ได้ถูกไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอการสั่งสอนอบรมทางด้านธรรมะนี้เป็น สิ่งที่จะต้องมีการสั่งสอนอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเลยถ้าจะว่าทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวก็ได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอนอนท์ให้พิจารณาความตายอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกลมหายใจเข้าออกถ้าพิจารณาเพียงแต่วันละนิดวันละหน่อยวันละครั้งสองครั้งสามครั้งนี้พระพุทธองค์ทรงถือว่ายังเป็นความประมาทอยู่ เพราะว่าถ้าเวลาที่เราไม่พิจารณาแล้วเราก็จะลืมเราจะเผลอเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นต่อไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติเงินทองลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตายและเราอุตส่าห์เสียเวลาไปหาเงินหาทองหาสมบัติต่างๆมา<อ>เพื่ออะไรเพื่อทิ้งมันไปในที่สุดนั่นเองแต่ถ้าเราคอยพิจารณาอยู่อย่างสม่เสมออยู่แทบทุกลมหายใจเข้าออกแล้ว เราจะไม่กล้าไปหาเงินหาทองมากเกินความจำเป็นเราหาเงินทองพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอัตภาพร่างกายเราก็พอแล้วเราจะได้มีเวลาเหลือไว้มากๆเพื่อที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมมารักษาศีล ม, มานั่งสมาธิและมาพร่ำสอนใจของเราให้รู้ถึงธรรมชาติต่างๆธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องด้วย เพื่อใจของเราเมื่อรู้แล้วจะได้ปล่อยวางจะได้ตัดใจไม่ผูกกับเขาพร้อมที่จะจากเขาไปในเมื่อเหตุการณ์หรือเวลามาถึงก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจจะไม่จะกินไม่จะไม่ได้กินจะไม่มีความรู้สึกว่าจะอยู่ไม่ได้ต่อไปในโลกนี้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามัวแต่วุ่นวายใช้เวลาทุ่มเทไปกับการทำมาหากิน หาเงินหาทองเมื่อได้เงินทองมาแล้วเื่อเอาเงินทองนี้ไปจับใจ่ายใช้สอยตามอำนาจของกิเลสคือความโลภความอยากแล้วชีวิตของเรานั้นจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและจะผ่านไปแบบคนตาบอดคือจะไม่รู้เรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเราจะไม่มีอาวุธหรือมียาที่จะคอยรักษาจิตใจของเราในเวลาที่จิตใจของเราจะต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่ เป็นต้องไปเจอกับสิ่งที่สร้างความทุกข์ความปวดร้าวให้กับใจของเราก็จะต้องทุกข์ทรมานกับการทุกข์ความปวดร้าวของใจไปจนจนกระทั่งมันจะหมดฤทธิ์ของมันไปหรือถ้าทนไม่ไหวก็ต้องถึงกับฆ่าตัวตายไปนี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้รู้เราไม่ได้เรียนรู้ทางด้านภาษศาสนา